สิกขาบทที่เก้าิกษุณีเรียนดิรัชานวิชาต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังเรียนต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. ต้องอาบัตปาจิตตีทุกทุกบท